ทุกๆรูปก็ขอจเจริญในศีลในธรรมอุบาสกเม่ชีแล้วก็อุบาสิ ก, กาทุกๆท่านครับผมก็ชื่อพระพิทักษ์ชยอวุธโธอัตมาครับผม <c oughs> ครับ <c oughs> อัตมาอัตมาก็ชื่อพระพิทักชยอาวุธโทรครับก็บวชได้ อันนี้เป็นภาษาที่เกศอายุยี่สิบหจะเข้าอายุย7ิบเวันที่เก้าสิงหาเดือนต่อไปหลวงพ่อก็ให้ขึ้นธรรมามาเทศก็เป็นทุกวันพระสิบห้าคำหรือแปดคำ่ำเนาะก็วันนี้ก็เป็นวันพระ วันที่ที่ยี่สิบสามเนาะยี่สิบสามอ่า <c oughs> ก็ไม่มีอะไรจะพูดหรอกก็มีแต่ความฟุ้งซ่านนะเห็นแต่ความฟุ้งซ่านเห็นแต่ความเบื่อความเซงเห็นแต่ความหงุดหงิดอึดอัดขัดขึ้นนะอยู่ในกายในใจตัวเอง ก็ไม่รู้ว่าปฏิบัติธรรมได้อะไรนะแต่ก็เห็นสิ่งเหล่านี้เห็นความบื่ความอุดอัดขัดเครื่องความง่วงเงาหานอนความาไม่กล้าความไม่มั่นใจในตัวเองอย่างนงี้เป็นต้นนะครับแต่ก็ สิ่งที่อยู่กับมันได้ก็คือได้ศึกษาสิ่งเหล่านี้นะครับอ่ตมาก็ได้ศึกษากับความเบื่อความเซงความอึดอัดขัดเคลืองความวางา่วงเหาหอนอนอยู่ไปวันๆซ้ําไปซ้ํามาบางทีก็เหมือนกับมันหายไปก็ล่งนะบางทีก็พุดขึ้นมาหงุดหงิด เบ่อบนอย่างนั้นอย่างนี้บนในตัวเองนะก็นั่งปฏิบัติบ้บางเดินบ้างนอนบ้างตุกอิเลยาบุตะบางทีก็ศึกษานะบางทีหลวงพ่อว่ากลางวันไม่ให้นนอนตอนกิบอารมณ์เราก็ลองนอนดูมันเป็นยังไง ก, ก็นอนก็น้ำมันระวังตัวนะครับน้ำมันระวังตัวอะไรกูหลวงพ่อมาเห็นแต่หลวงพ่อก็ไม่มาหรอก แต่ก็ศึกษาดูว่ า, อ, าอิริยาบถนอนความรู้สึกเราเป็นยังไงเวทนาเป็นยังไงแต่ก็เพื่อศึกษาเพื่อที่จะให้รู้นะครับให้รู้ความจริงแต่ถ้าว่าที่อย่างหลวงพ่อบอกว่าห้ามนอนโอ้ถ้าเรานอนไปนแล้วมันเป็นโทษจริงๆเราก็จะไม่นอนอย่างนี้ครับถ้าจะถ้ามันไม่ไหวจริงๆถึงจะนอนแต่ถ้ามันยังไหวอยู่ก็จะไม่นอนจะฝืนจะนั่งฝืนหรือจะ ยืนจะเดินหาอุบายนะครับจะออกจากความดัวความเซ็งความอึดอัดเดินไปนู่นบ้างไปนี่บ้างเดินเล่นบ้างทำนู่นทำนี่บ้างทำเป็นหยิบนั่นบ้างหยิบอันนี้บ้างเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์หรือเปลี่ยนความรู้สึกเพื่อจะไม่ให้มันแค่มันเกีมยกับเรื่องราดเดิมๆไอการเปลี่ยนนิดนึงนะครับมันสามารถทำลายความคิดอดีตเราอนาคตเราได้ นะครับที่ว่าติดมาอย่างพระเองก็มีอดีตเหมืูนกันนะอาจจะอดีตไม่เยอะแต่ก็มีอดีตไม่มากแต่ก็ทําให้มากได้เพราะว่ามันมันน้อยแต่มันก็เลยคิดเยอะๆอดีตน้อยแต่คิดเยอะนะคิดเยอะนะครับคิดเรื่องเรื่องนี้เรื่องเคยไปทําอะไรมาบ้างอะไรที่ไหนบ้างมันจะพูดขึ้นมาทํากับพ่อกับแม่อย่างไงมันก็จะพูดขึ้นมาโกหกอย่างไงมันก็จะพูดขึ้นมา ก็เลยมาพิจารณาสิ่งเหล่านี้เราทําไปได้อย่างไงแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไงแล้วมันมาได้อย่างไงมันเป็นวยบากเหรอือแล้วก็เคยไปกิบอะลมอยู่ห้วยสวดหลวงพ่อก็เคยพูดว่าถ้ามีบากมันเรงมันก็สามารถอ่าทําให้เราหลงไปได้หรือทําให้เราแบบไปตามแรงกรรมอยู่แล้วมีบากแต่ถ้าว่าสติมันแรงกว่ามันก็สามารถข่มดวยบากได้ หลวงพ่อบอกอย่างนั้นนะครับตอนที่กีบอารมณ์ประสอบอารมณ์พระก็พยายามที่จะพิจารณาว่าเออบีบกักสติเรามันน้อยเราจะทํายังไงที่จะไม่ให้บีบกักมันกำลังเลือดมากบีบักก็ไม่มากแต่เราก็กลัวนะครับเนาะมันก็ไม่มากแต่ก็ไม่อยากจะปล่อยให้มันแบบเป็นเลือดลังอะไรมากมายอย่างนี้ครับตามความคิดหรือตามสติปัญญาของตัวเองที่พอมีอยู่แล้วก็ฟังหลวงพ่อทิทศด้วย อย่างเงี้ยครับแล้วจะทํำยังไงก็ทําอะไรไม่ได้ก็พยายามที่มารู้สึกตัวไอ้คำว่ารู้สึกตัวนี่แหละครับมันก็ช่วยทุกอย่างมันมันเหมือนกับว่ารู้สึกตัวกันเหมือนกับอย่างล บ, บ่ะครับอย่างลบที่มือลิขิตนะนะเราเขียนหนังสือมาเขียนอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเขียนคํานั้นคนํานี้หลายๆคํา เออแล้วก็อยากจะเกณฑทำใหม่มันลบทิ้งเลยอย่างเงี้ยลบคือมันเหมือนกับยางลบนะครับความรู้สึกตัวเหมันกับมันตัดกลับมารู้สึกตัวเห็นว่าความคิดนี้มันนี้เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารมันก็ไม่สนใจหรือบางความคิดเป็นสาระน่าสนใจมันคีเกณฑ์คืนไปกับมันแต่ก็กลับมารู้สึกตัวเพราะว่าไอ้ความคิด ดีที่ทำให้เราปรุงแต่งไปมันเรามันก็ย้อนกลับมาไม่ดีแต่มันถ้าติดฝั่งดีแล้วไอ้ฝั่งไม่ดีมันก็ติดยาง น, นานเหมือนกันก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พยายามกลับมาสุดตัวทุกทุกทุกวิธีทางทุกวิธีอุบายที่จะออกจากมันได้บางทีก็ทำเล็งยงบ้างทานั่นบ้างแต่ก็ดูแล้วบางทีก็เห็นครูบาอาจารย์หรือลพ่อเทียนท่านก็ทชํชา้าช้าบางทีก็พิกมืออย่างนี้ ยกขึ้นมาแล้วก็ทํำช้าๆแล้วแก้กวความว่องทุก็ไม่ได้แก้ยเยอะเลยซ้ําไปไปดู youtube ว่าแก้าการว่วงท่านทำนี <c oughs> ำ้ไหว้พระเออท่านนี้เออออกมาอย่างนี้มันก็ออกจากความว่องเลยแล้วนะครับคือออกมั น, ม, นมันก็แปลกดียวเตือนแต่ก่อนจะทำติ๊กตัก ต, ก ต, ก ต, กตกัมันก็ไม่ออกจากความว่องมันก็ยิ่งซ้ำเตือนไปใหญ่จริงแล้วแต่ถ้าเราใสา่ใจตามดูเออแค่นี้ก็แก้วความว่องได้ หายงงได้แล้วก็ผ่อนคลายด้วยนะครับนี่สหรับตัวพระเองนะสําหรับตัวอาตมาเลย <Connect ing> ก็ผ่อนคลายได้วยนะครับก็แปรีเหมือนกันแต่ก่อนก็แก้อย่างนั้นพยายามที่จะเดินเร็วแต่อันช่วยได้ไหมไอเดินเร็วก็ช่วยได้เหมือนกันอีกแบบนึงเหยียบก้อนหินเหยียบอะไรก็ช่วยได้แต่อย่างนี้ก็ช่วยได้แก้ความวุ่นเพราะว่ามันแก้ทั้งได้ทั้งความว่วงละทั้งความคิดนะครับถามอย่างนี้เออความมันรู้สึกมันรู้ตัวอ่ามันก็ ไม่ไปกับความคิดหรือไม่ไปกับอารมณ์กับความรู้สึกไม่คิดปรุงแต่งเนี่ยก็กลับมารู้ตัวใหม่ก็ทาไปทำใหม่ทำอย่างนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นหรือกลับมาตั้งหลักให้มันดีเมือรู้ตัวให้มันชัดขึ้นนะครับเพื่อจะไม่ให้มันหลงไปกับความเพลินเพลินทางอะไรเพลินทางเบีธนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์เนาะ สุข ก, ก็เป็นเวทนาทุกข์ก็เป็นเวทนามันเพิินอย่างนี้ครับหลวงพ่อก็ใช้คําว่ามันเพิินแร้วก็พยายามศึกษาดูทุกทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบอย่างคนเราต้องได้ทําการทํางานไม่แต่ตัวพระเองก็ต้องทํางานเนาะต้องได้ทํานั่นทํานี่เหมือนกันก็ต้องแบบอาศัยในรูปแบบเอ๊ะรแบบเราปล่อยมันได้ไหมบางทีก็ไม่สนใจบางทีก็บวดนะเอ๊ะทำไมความรู้สึกมันไม่ชัด มันไม่ชัดดังนั้นอย่างนี้เออไม่ชัดก็ชัดสิวะเราชัดอยู่อย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ชัดอาอมันก็ชัดอยู่นะอะไรจะไม่ชัดอีกอย่างงี้นะก็นงนุ่ ง, ง, ง, ง, งตัวเองเหมือนกันบางทีนะมันบ่นในใจตัวเองนะแต่ว่าสิ่งที่พูดมาใกล้ๆเข้ามาคือพูดแค่นี้แต่ความสุอขอพระพระชอบชอบสิ่งที่หลวงพ่อแนะนําแล้วก็สิ่งที่ตัวเองได้ปฏิบัติตาม ทำไมเหรอครับที่พูดอย่างนั้นเพราะว่าสมัยแบบเราก็จะไปหลงไปกับบาปกับบุญกับความเชื่อต่างๆพระก็เป็นพระหนุ่มเกิดมาใหม่ก็มาฟังตามหลังนะครับบางทีก็ว่านรกบู้ภาพนั่กเป็นอยน่างนั้นอย่างนี้อุ๊็ น, น่ากลัวนะครับบาฮัตคิดเป็นตัวยางด้วยแต่ก็ไม่ได้กลัวนะครับไม่ได้กลัวนะมันเห็นภาพน่ากลัวแต่มันก็ไม่ได้กลัวนะครับ เห็นสวรรค์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เออกระปุกแต่งไปแต่ว่าสวรรค์จริงๆเป็นยังไงไม่รู้ก็พากันพูดชี้โบชี้เบลไปนะครับขี้ไปบนฟ้าหรือสวรรค์นโกก็ชี้ว่าดูดิไม่แล้วนะจริงแล้วไม่รู้จริงหรือเปล่านะในรกเนี่ยดูใต้ดินไม่ใช่นะมีความรู้สึกมันโดนปลุกฟังมาแต่ก็ว่าตัวองโชคดีได้เข้ามาภาวนาในวิธีการอย่างนี้การปฏิบัติทําความรู้สึกตัวไม่มีใครที่จะมาพูดขาดขนาดนี้แล้วก็ ทำอ่าครับ ก, ก็จะพูดแบบเหมือนกับปกคุมไว้อะปกคุมไว้แล้วก็ไม่มีเนาะแต่นี้มาเปิดให้เราฟังพูดให้เราฟังแล้วก็ปฏิบัติตามสัมผัสได้ด้วยจากความจากตรงไห น, นจากความมันสบายมันผ่อนคล า, นายแล้วเมื่อผ่อนคลายแล้วบอกวิธีการเจ้ไขซ่อมแซมด้วยในความพวกตรงนั้นใช่ไหมเพราะว่าทาไมถึงว่าองั้น ทุกค น, นก็มีความทุกข์หมดทุกคนอ้าวในเมื่อไม่มีครูบาอาจารย์แล้วท่านก็สอนวิธีการช่อมเสมียนแนะนําเมื่อเราความทุกข์มาเกิดอีกเราก็จัดการมันได้แก้ไขมันได้อย่างเงี้ยทาให้เราสุดดีขึ้นไปเรื่อยก็เป็นการบําบัดหมุนเวียนหมุนเวียนร่างกายและจิตใจเพื่อจะไม่ให้มันไปมีวิบากเยอะถ้าจิตมันเสียบทนามากมันก็มีวิบากเยอะเองครับมันเสีมากก็มีวิบากทางธาตุทางขัน อย่างเนี้ยพระก็เข้าใจาไปอย่างนี้แต่พระก็ยังไม่ได้อะไรมากมายก็อาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์อยู่เหมือ <c oughs> นกันแต่บางทีก็พยายามที่จะกลับมาที่ความรู้สึกตัวหรือหลักนะครับอารมณ์ไหนที่จะดีไม่ดีก็พยายามกลับมาที่รู้สึกตัวแต่วันนี้ก็เสียบทุกคนเป็นเรื่องเสียบอารมณ์อนะไรจิตใจมันก็เสียอย่างเราพ่อเห้เ า, าว่าร่างกายนะมันกินอาหารเช้าสอ ง, ส, องสามมื้อ แต่ใ จ, ใจเรามันเสียบทุกยี่สิบสี่มุมก็จริง น, นะครับแล้วก็เลือกอารมณ์ที่มันเป็นธรรมชาติเลือกอารมณ์ที่มันเป็นเป็นคุณไม่เป็นโทษเท่าไหร่อย่างเงี้ยอารมณ์ที่เป็นโทษก็ศึกษาอ่ามันเป็นอย่างงี้อ๋อมันเป็นโทษมันโทษมากโทษา้อยไหนก็ศึกษาดูอย่างตัวพระเองนะครับก็ศึกษาทุกเนี่ยทุกมุมในกายในใ จ, ในใจขอบคุณที่ได้มีรูปกับนามนะครับขอบคุณพ่อคุณแม่ที่ให้รูปกับนามพระมา <c oughs> แล้วก็ขอบคุณพระนม่ครูบาจาันที่เมตตาอบรมแนะนําสั่งสอนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันรัดเข้ามาแล้วครับถึงตัวพระเองว่าอ่าเรายังก็ยังห่างไกลพพุทธเจ้าอยู่ก็ยังไม่เป็นเราทือว่ารัดเข้ามาแล้วมาตรงกายตรงใจแล้วไม่ตรงไปตรงไหนอย่างเงี้ยมาที่กายที่ใจจะอะไรมันก็อยู่ที่ตรงนี้แก้ไขที่ตรงนี้แต่ก่อนก็คิดเพราะว่า รู้สึกดีก็ต้องไปดูดวงต้องรอครับไปดูดวงต้งรอสองสามวันสี่วันอู้จะไปรอทําไมกูคิดอยู่ตัดความคิดเล ย, ยนะครับก็กลับมารู้สึกตัวเลยครับพีกออกเล ย, ยนะครับก็ลุบไปเลยแต่ว่าก็่าสงสัยเหรอจริงหรอมันก็จะง่ายเพื่ อ, อ <laughs> มันออกแค่นี้เหรอจริงเรามีมความเชื่อไหว่าต้องไปดูดวงรู้สึกไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้รู้สึกไม่ดีก็ออกจากความคิดเลครับออกจากความทุคิดนั้นมา มก็่ยดีก็เลยมีความศรัทธาในคำสอนหลวงปู่เทียนแล้วก็มีหลวงพ่อมาหาท่านดูอยู่แล้วเป็นพระวิปัสสนาเผยแผ่แล้วเราก็เข้าหาท่านนครัก็คิดอย่างนั้นนะครับไม่มีมผลไม่มีอะไรมากสุดท้ายนี้ก็ขอจะฝากไว้ในวันพระ15คหาคำเพียงเท่านี้ก็ขอให้ญาติโยมแม่ชีอุบาสิกา ท, ทุกท่าน จงเจริญในศีลในธรรมซึ่งเป็นอมตะด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิดอันนี้ก็ระบบแบบนักปฏิบัติพูดนะ แต่ก่อนในห้องต้องเอาไวค้คมภีเนาะโมตัสสาวกเขาวาตุวาระบุตัสสาแล้วก็ว่าอ่านตามคมภีไปเลยนะเป็นนิดน้อยเนาะอันนั้นมันเป็นสมมุติโบราณเวลยนะโบราณสมัยอย่างที่ภาพปุณอุ่นเนี่ยปุนอูนอนนอ้นปรมาจิแต่เขาเตะตามสมุติตามคำพีเนี่ยอ่านคำพีแผ่กว่าได้แต่มันเจือห้องมได้เวลาเ้ามีปัญหาแต่ น, นี่เป็นเอาของจริงว่ามันตอนได้มันง่วงต่อไปมันี่ค้าน จนได้มันอึดอัดจนได้มันมงุดยิบคือเอาของจริงมาว่ากันนีอันนี้คือระบบแบบวิธีการของโมเทียนคือเอาความจริงมาพูดกันแล้วทุกคนสัมผัสได้ทุกคนก็มีความง่วงทุกคนมีความหมุนยิบทุกคนมีความฟุ้งซ่านทุกคนมีความขัดเคืองอ่าเห็นไหมอันนี้คือความจริงคือเอาความจริงมาพูดที่คนทั่วไปเนี่ยเขาไม่เคยชอบต้องว่าไปอ้ อ, อ, อมๆไม่แต่เทศบรรยายอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นใน ลักษณะเนี้ยเป็นการฝึกให้พระของเราเนี้ยได้พูดของจริงที่มีอยู่ในตัวพระพุทธเจ้าท่านเอาความจริงในตัวท่านมาบอกเราแต่ไม่ได้ไปจําคําสอนพรุทธเจ้ามาบอกต่อนะแต่ต้องเอาคำสอนพรุทธเจ้ามาค้นหาความจริงในตัวเราท่านบอกว่าความจริงในตัวเรากับในตัวคนในตัวท่านเนี้ยมันเหมือนกันมีเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงมีพอยใจไม่พอใจเหมือนกันหมดกับพระพุทธเจ้าท่านมีอย่างไรคนผู้อื่นก็มีอย่างนั้น นะท่านดับทุกข์ของท่านอย่างไรคนอื่นก็สามารถดับทุกข์ได้แต่ต้องใช้วิธีของท่านท่านค้นพบนะอย่างที่ใช้คําพูดหรือว่าเพี่แกคาว่ า, วานรกสวรรค์เมื่อก่อนเราไปคิดนะนรกอยู่ใต้ดินสวรรค์บุพพฟ้าเก็กลัวแต่ก็ไม่เชื่อหรอกแต่ก็กลั ว, ลวมันสร้างความวกลัวขึ้นในใจแต่พอไปเจอนรกของจริงตอนที่เราลุ่มร้อนในใจบางคืนนอนไม่หลับบางคิคดฟุ้งซ่านหัวร้อนหมดนี่คือตกนรกแล้วแต่เราไม่รู้นี่คือนรกของจริงแล้วก็มันก็ตกบ่อยด้วยนะ ไอ้เดรกของข้างนอกที่เราว่าเนี่ยมันจะมีไม่มีอีกเรื่องหนึ่งมันยังไม่ถึงแต่ที่ไฟที่จะไปจุดนีลกมันติดเนี่ยคือไฟตัวนี้คือไฟราคาเวาลาคาคีไฟคือโทสะคือโทสะคีไฟคือโมหะคือโมหคิไฟนรกมันจะจุดไม่ติดถ้าตัวนี้มันไม่เจอจากที่ไหนน้ามันอยู่ในถังเนี่ยถ้าเราไม่มีไม่ขีดเอาไม่ขีดไปวางใกล้ๆเนี่ยมันจะติดไหม มันก็ไม่ติดใช่ไหมเอาไฟแชกไปวางใกล้ๆมัติดน้ำมันไหมมันก็ไม่ติดจนกดแล้วจะกดแชะขึ้นมาเนี่ยแหละทั้งแก๊สทั้งมันก็ทํางานได้ทันทีเมืันก็ไอตัวที่กดแชะเนี่ยก็คือตัวสติหรือตัวอวิชชาถ้าเรากดไปทางนี้มันเป็นตัวอวิชชากดไปทางนี้มันทางไปทางสตินี่นะท่านบอกว่าเมื่อท่านเกิดปัญหาท่านก็พยายามนึกถึงตัวสติขึ้นมามันเหมือนยางลบเห็นภาพไหม โอ้บางทีเขียนไปเยอะยิมันผิดนะก็ลบใหม่หมดแต่ที่ถ้าคนไม่เจริญสติไม่เจริญวิปัสนาจะมียางลบในใจไหมไม่มีนะก็เขียนเลอะเทอะเปืเป้อนอ่านไม่ออกเขียนเก่าเขียนใหม่ความคิดก็มันคิดซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาอยู่ในเรื่องเก่าถ้าเป็นหน้าสมุดมันก็โอ้โเหเขียนยุงไปหมดเลยไม่มีหน้าใหม่เลยก็ใจเก่าแต่เรามียางลบนะมันผิดเขียนใหม่ถ้าเรามีสติปัญญาโอ้อันนี้พูดผิดไปแล้วพูดใหม่ขออภัยนะเมื่อกี้พูดผิดไปอันนี้ลบละ เวลาทําผิดไปเออเดี๋ยวที่ทําผิดไปออบอ ก, ออบกผู้หญินีขออขนน้ขออภัยนะครับเพราะว่ามาทำผิดไปผู้ิงก็ขออภัยขอที่อภัยในี้ที่ไปชูชมด้วยก็ขออภัยนะครับที่ลบกวนสมาธิมีเขาเรียกว่าลบออกไปผู้ยญิงนี่ก็จะไม่เป็นบาปเพราะยึดเป็นบาปเพราะว่าไม่ปิดโทรศัพท์มันก็เข้ามาเรื่อยๆก็ต้องขออภัยใหม่นี่คือของจริงเอาปัจจุบันนะ แต่พวกนี้ไม่มีปัญญาก็ไม่ปิดโทรศัพท์พวกนี้เกิดสติปัญญาพรปิดโทรศัพท์พรา ะ, รราะบาปก็ไม่เกิดใช่ไหมเพราะคนกำลังฟังธรรมะเนี่ยพ อ, อไปสนใจนิดพนี้ทาให้เสียสมาธิก็เป็นบาปเนี่ยบาปมันบุญ ม, มันเกิดอย่างนี้ตลอดเวลาแต่เนื่องจากว่าเราเราไม่รู้จักบาปจากบุญเนธรรมดารู้จักเลยอย่างบาปบุญรู้จักบางส่ว น, วนรู้จักแค่หนซ็นท่านั้นนะต้องรู้ไปเรื่ อ, อยนะๆความคิดมันเกิดที่ไหนก็ทวงที่นั่น อันนี้คือวิธีการพูดเทียนท่านเอาของจริงมาพูดไม่ใช่ว่าโอ้อดีตนรกไปยังสวรรค์เอามนรยาให้คนกลัวแต่ตัวเองเคยตกหรือเปล่าตัวเองตกก็ไม่รู้า บ, าบางครั้งอึดอัดขัดเคืองขุนมัวไม่ชอบคนนั้นเกลียดคนนี้เกลียดลูกเกลียดพ่อเกลียดเมยบางครั้งเนี่ยมันล้วนลุ่มคู่ใจอยู่คิดทั้งวันทั้งคืนอันนั้นนตกนรกแล้วแต่เราไม่รู้ว่า น, นั้นคือนรกเราก็คิดว่าตายไปแล้วจะไปเกิดอย่างนั้นมันโคลบแายแอันนั้นเขาเขาเรียกว่าอะไร อันนั้นเป็นผลสําหรับคนโง่จะกลัวที่ผลแต่สาหรับคนฉลาดจะกลัวที่เหตุก็รู้ว่าไฟมันจะไหม้เพื่อกลัวไฟไหม้บ้านแต่ไอ้ตองประมาทเรื่องไฟเนี่ยไม่ไม่รู้เพราะเหตุไม่คือประมาทกับไฟนี่แหละมันก็ไปไหม้บ้านได้ดังนั้นเราก็มาไม่ประมาทในเรื่อไฟการไฟไหม้บ้านมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเราดับไฟลากได้ตัวโรคลาคะก็ไม่เราก็ไม่เป็นเปรตไม่เป็นปีศาจถ้า ดับไฟโทรศัได้แล้วก็ดับไฟนรกได้คือไม่เกิดไปเป็นพวกสันนิษนที่ลุ่มลร้ลอนในเตาฟองเตาไฟเนี่ยถ้าเราดับไฟโมหะได้เราก็ไม่เป็นตัวนรกที่มาตกนรกเย็นตกนรกน้ำแข็งตกนรกที่เป็ น, นอ ข, อของที่มันลุ <c ười> น่มโมหะนะไอ้เสียงมันทาไมฐานมันหมดมั้งใช่ไหมเพราะนั่นเราคอายใช้ตัวนี้ <c ười> โยมทั้งหลายต้องมีเมตาามตาตนะเมตตาตอุณาช่วยกันแรงกันทำอย่างนู้อย่างแต่ว่ารู้เมตตาในตัวเองนี้หรือเปล่ารู้แต่พูดไปงั้นแหละโยมทั้งหลายต้องมีกรุณาช่วยเหลือเพื่อไปสการได้แต่ตัวเองเป็นคนเตี่สุดเลยใครร้องเรียนช่วยเลยแต่เทศเื่ยงรุณาได้เนี่ยนี่คือมันการาําราไม่ใช่ของจริงไงใช่ไหมเออฉันนั้นสมก่อนฉันเห็นแก่ตัวมากแต่เดี๋ยวนี้หลังจากปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกเออเราได้ของมาในโลกนี้จะเป็น กี่มือนี่แสนนั้นเอาไปด้วยไม่ได้หลังจากนั้นฉันพอได้สํานึกอย่างนี้ฉันก็เริ่มเอาทรัพย์สินสิริงคานเสียสละเอาไปเพื่อแจก อ, อรลยทรัพย์ไปไปด้วยได้แต่โภกทรัพย์เนี่ยจะมีเป็นหมือ่นล้านแสนเอาไปด้วยไม่ได้ฉันก็เอาโภกท ร, กรัพย์มาแลกอรลยทรัพย์ตั้งแต่นนมาท่านก็แจกจ่ายให้กับคนอื่นมากมายใจของฉันก็สบายฉันได้เพื่อนบ้านเยอะแยะอันนี้เขาเรียกพูดความจริงและทําได้จริงแหล ะ, น, ะนั่นเองอันนี้เขาเรียก ว, ว่ายุคสมัยปัจจุบันคนมันฉลาดแล้ว จะมาอ่านตำราอ่านชาดกปลอกกันไปวันวมันไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะมันมีอินเทอร์เน็ตมีอีเมลมีอะไรกดที่ไหนก็ออกมาอ่านได้หมดเลยอะ่ะคนเขารู้หมดแล้วแต่วามจริงแบบนั้นอะ่ะแต่ความจริงในตัวเองเ่ยคนยังเข้าไม่ถึงถ้าเราไม่มีวิปัสนาเราจะไม่เห็นใจตัวเองว่าวันมันคิดอีกครั้งมันคิดชั่วอีกครั้งมันคิดดีกี่ครั้งมันอิจฉาเบียบบายอีกครั้งมันอึดอัดกันเกินทุกครั้ ง, งเราจะไม่เห็นเลยแต่พอเราไม่ปรัชนาแบบนี้เราจะเห็น เราเห็นเขาเรก็ดับของเราเพราะเราดับของเราได้ถามว่าคนอื่นมีไหมคนอื่นเขาก็มีที่นี่เราจะไปสอนคนอื่นเราก็ไม่ต้องจำำําตําราแต่เอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวเองเนี่ยไปบอกเออฉันก็เคยโกรธเหมือนกันนะโอเมื่อก่อนนี่ฉันโกรธนะนั้นใครอยู่ใกล้ไม่ได้นะนีะ่พวกอยู่ใกล้มือของอยู่ใกล้มือไปหมดแล้วนะเดี๋ยวดีฉันไม่เป็นอย่างนั้นนะท่านใดฉันไม่จะรู้วิอุสนาเห็นความโกรธโอ้อันนี้คือความโขนนี่โขนบนรอบทั้งหูแดงตาถลนหายใจขัด อาการทุกขกลนไปนคุณเป็นนะโอ้ฉันก็เป็นเหมือนคุณเหมือนกันก น, นี่ความจริงไม่จะเหมือนกันหดนะความจริงไม่จะเหมือนกันหดเราก็เอาของจริงเนี่ยมามาพูดกันฟังเพราะมันแก้ไขปัญหาได้นะดังนั้นเราก็มาเจริญวิปัสนาเจริญสติมากขึ้นเพื่อเพื่อจะเอาเป็นน้ําไปดับไฟเพราะรู้ว่าเรายังมีไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟมันคือโมหามันรุ่มร้อนอยู่ในบางครั้งเมื่อเราไปจิตแต่มันไม่มีตลอดเวลานะั้น มันมีตอนไหนไฟเนี่ยไม่ขีดไฟอยู่ในบ้านมันไม่ได้ไหม้บ้านไฟแชกอยู่ในบ้านมันไม่ได้ไหม้แต่มันมีตอนไหนตอนที่เราไปเผื่อขีดเผืใช้ก็ไม่ระวังมันมีตอนนั้นแต่ถ้าเราใช้มัอย่างระมัระวังมันก็ไม่มีมันก็ไม่เกิดมันก็ไม่เกิดไฟไหม้บ้านอันนี้คือเรืีองระบบสติคนปัจจุบันต้องการฟังอย่างนี้ไม่ต้องการฟังตามตลาดตลาคัมพี ที่เขาส่มา น, นั่นอันอน่งทำไมยังไม่รู้ว่าเรื่องอะไรว่าเรื่องสุจริตธรรมให้มให้ลูกให้พระไปเทศก็เทศทางพมพีใครเอามาเทศน์เสร็จเล็กๆนี่เทศตามางพมพีนะเสร็จแล้วก็ได้กันเทศมาเนาะยกไปกันเทศก็อ๋อมันมันคนแล้วระบบละแล้นั่นเองเรื่องนี้ิติพระเทศนี้เป็นตัวอย่างนะแต่พระองค์ไหนความขยนันดีอย่างรน้นอย่างนี้แต่ว่าตัวเองไม่เคยขยนันเลยนั้นพูดกโกหกพรเทศก็พูดโกหกเพราะสิ่งนั้นมันมีตัวเอง เออการละการปล่อยวา ง, ด, างดีอย่างนู้นอะย่างนี้นะโยมต้องทําแล้วโดยเองปล่อยวางก็ได้นั้นเรียกพุทธโกะไม่ใช่เทศใช่ไหมเออการให้ทานดีอย่างนู้แต่เองไม่เคยให้ทานเลยนะแต่แนะคนอื่นให้ทานหลวก็่อเทีว่าผิดศีลข้อสองว่าไงเอาทำไมไปละเอาคนอื่นไปจําคนอื่นมาเทศตัวเองไม่มีว่าไงโอหนหลวงพ่อเทียนว่าหนักเลยนะอามาตกใจเลยโอเราเป็นด้านเทศมาตั้งนานเราก็โง่ก็มคนอื่นมาตั้งนานเนี่ยเรจะบาามากเลยเราก็รีบเจริญสติ ล้างล้างบาปเก่าล้างบาปเก่าอย่างที่ท่านว่าเามาหมือนเรามีย่งลบหลักตอนนี้เมื่อก่อนเรามีอยังลบเขียนโอนกันหมดเลยอ่านไม่ออกตอนนี้เรามียังลบโอ้เราเขียนไปแล้วนี่ยหนึ่ง ม, มันผิดเ น, เนดี่เขียนผิดลบใหม่เขียนผิดลบใหม่ดังนั้นการมาทําวิปัสสนาจริงจาเป็นที่สุดมาอยากจะให้คนอื่นทำเนี่ยเราผู้ศาไปบอกคนโทั่โลกเลยนะบางคนก็รับได้บางคนก็รับไม่ได้บางคนก็เชื่อบางคนก็ยังไม่เชื่อยังลังเลอยู่ ดัง น, นั้นเองจะต้องบอกต่อไปนะจนกระทั่งกายแหละมันจะไม่หยุดทำเรื่องเดียวนี่แหละเพราะถ้าหากว่าเราคนมีคนตรงด้วยกันคนซื่อด้วยกันคนเมตตากนูนามาอยู่ด้วยกันอยู่ยมันก็มีความสุขมีความสบายนะแต่ถ้ามีคนแก่โกโหกหลอกลวงมืคนแฉอแรดเอาเปรียบมาอยู่ด้วยกันเราก็เดือดร้อนดังนั้นเราไปสร้างโลกในโลกเนี่ยให้คนมีความเสียสละเพื่อเราจะมีเพื่อนทีเสียสล ะ, ะเราทําให้ในโลกเนี่ยให้มีศีลมีธรรม แล้วก็มีเพื่อนมีคนมีสีมีธรรมประทำให้คนในโลกมีสติปัญญาเราก็มีคนมีสติปัญญามาอยู่ใกล้เราก็ช่วยกันแต่ระบบเก่านี้ถ้าหลวพ่อตายไปแล้วนี่วัดนี้ล้างเลยนะอยู่ไม่ได้แต่วันนี้ท่านหลวงพ่อตายไปมีท่านตัง้งท่านเอฟท่านอูต่อไปอาจารย์เนีอาจจะมาอยู่ด้วยก็ได้ไปเสวนาที่นี่ก็ได้แล้วเนเนี่ยท่านเบื่อโลกมาแล้วมันบวชอยู่ที่ตอก็ได้นะอันนี้มันก็สืบต่อกันไปแค่ที่วัดจะล้างใช่ไหมมันก็ไม่ล้างละมีคนสืบทอด แต่ระบบเก่าเนี่ถ้าหากว่าจเจ้าอาวาสผู้มีชื่อเสียงดังๆตายไปวัดนี้อยู่ไม่ได้นีนวัดไม่ส่วนที่หลวงพุทธาแต่ที่เมื่อก่อนท่านดังมากนไหวัดจเจริญโอูโห ส, สิ่กอสร้างเยอะแยพอตายไป20กว่าปีตอนนี้วัดโอ้โหล้างพวกเราก็ไปอยู่อาศัยฟื้นฟูขึ้นมาตอนนั้นเองหลวงพ่อก็เลยว่าอาจจะไปช่วยฟื้นฟูนฟนที่นั่นติแห่งเพราะอะไรเพราะว่าจะเอาไว้เป็นค่ายประจําปีอย่างท่านตั้งเนี่ยไปเก็บเข้าค่ายกับเรา ท่านก็ได้ธรรมะขึ้นมาโอ้เมื่อก่อนท่านไปเป็นเจ้าสํำนักยู่นนะ่งน้องโบแดงนนเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะสอนคนได้แต่ว่าท่านบอกโอ้มันกูยังเป็นทุกข์อยู่เรื่อกุศลโดนลบแน่เลยสอนแบบนี้มันก็รีบ ม, มาลบเอาเรื่องนั้นออกทำมาเรื่องต้นใหม่อ่าวันนี้ก็ดีขึ้นลนะแล้วนะเราให้กําลังใจแกท่าน น, านะดังนั้นเองเราต้องดูค้ามจริงถ้าเราจะเลยสติแล้วเนี่ยมันฟุง้งแล้วมันฟุ้งไปกูจะดูมันต่อว่านมันฟุ้งเลยผมพอเห็นว่ายิ่งคิดยิ่งดีเลย เพราะมันจะได้รู้เยอะๆเลยนะถ้าเราไม่มีความคิดเราจะไปรู้อะไรพวกนั่งรับการตีความสื่องพวกนี้ไม่มีปัญญาเพราะไม่มีความคิดเกิดขึ้นไม่มีวัตถุเดียบเกิดขึ้ น, นเราจะเปลี่ยนเป็นปัญญาทไม่ได้ความคิดนี่แหละจะเป็นปัญญาก็ได้เป็นกิเลส ก, ก็ได้ขึ้นอยู่กับไหนขึ้นเกิดตัวเปลี่ยนมันนะที่ว่าหนองไม้เมื่อวานน่ะมันจะเป็นของที่ทําให้ท้องเสียก็ได้แต่เป็นอาหารก็ได้อยูคุณเราปรุงถูกหรือปรุงผิดถ้าปรุงผิดมันก็เป็นยาพิษถ้าคุณปรุงถูกมัน ก, ก็เป็นอาหาร เหมือนการความคิดนั้นเราอบรมถูกด้วยสมาธิมันก็เป็นปัญญาเราเลี้จิตถ้าเราเป็นมิสฉาทิฐิมันก็เป็นยาพิษสําหรับทําลายจิตความคิดนั่นแหละมันเป็นได้ทั้งสองอย่างนะดังนั้นพอเราปฏิบัติมิปัสนาเป็นแล้วนี่เราไม่กลัวเลยเหมือนกับคนมีโรงงานแปรรูปแล้วเนี่ยนะไม้ทั้งป่าไม่กลัวนี่แปรรูปหมดเลยแปรรูปไปเป็นบ้านเป็นเรือนอะไรหมดเมื่อก่อนเราขายไม้กับเป็นต้นใช่ไหม เดีนี้เราขายไม้ก็มีชิ้นๆอย่างนี้หลายบาทนะเนี่ยพอเราแปลรูปเปิดแล้วะ่ะใช่ไหมนี่คือการเจริญวิปัสนาคือสร้างโรงงานไปด้าน น, ะนา ม, มาธรรมเพื่อแปรรูปกิเลสให้เป็นธรรมะแปรรูปกิเลสให้เป็นปัญญาแปลรูปกิเลสให้เป็นสัจธรรมมันอันเดียวกันนะแต่ที่นี้ถ้าเราไม่เจริญวิปัสนาไม่เจริญสติแบบนี้นะมันไม่มีทางเลยแล้วความคิดราคะโทสะโมหะมันก็จะเป็นขุมนรกรอยอยู่ข้างหน้า วันหนึ่งเราตายไปทาระดับไฟราคาโทรศัพท์หูาหาไม่ได้ยังมีชีวิตอยู่นะเราต้องไปตกอย่างนั้นแน่นอนถ้ามันมีนะแต่ถ้าไม่มีเราก็เดือดร้อนชีวิตนี้เราเป็นทุกข์ตลอดชีวิตแต่ถ้ามันมีเราก็ไม่ตกเพราะอะเพราะเราได้เตรียมดับเอาไว้แล้วนะพุทธเจ้าท่าสอนอย่างนี้นะนัะ่นคือข้าหน้ามองไม่เห็นยังพูดถึงมันเอาปัจจุบันนี่แหล ะ, ะแต่ว่าคมพีท่านเขียนไว้เยอะแยะคนไปเชื่อคำพี์ที่ท่านเขียนไม่ได้เชื่อพุทธเจ้าแต่ว่าไปอ้างว่าพุทธเจ้าพูดไว้อันนี้มีความเสียหายนะ พุทธศาสนาบุกเสียย่ยมยไงเพราะเราพูดอะไรขึ้นมาก็อ้างว่าพุทธเจ้าพูดแต่พุทธเจ้ทาท่านบอกทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในใจเราหมดใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานใจตนกนรกปุรีใจจะขึ้นสวนรรั์ก็ยึดใจให้ตรัสว่าอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าวพูดโดยเองนะพูดอริยมโนปุพังคมาธรมามโนเสถหามโนมยามะนะซาปทุเทนะพาสติวากาโรติวะตะโตมังตโตนังทุกมโนเวติชายาวะ จักจังว่ว่าหตัพระพันะท่านตัดทั้งบวกทั้งลบเลยทั้งบวกท่กานลบบอกว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานทุกอย่างขึ้นอยู่กับใจถ้าหากคนไหนใจไม่ดีไปพูดไม่ดีคิดไม่ดีไปทำเมื่อดีนรกหรือความทุกข์ควทุกข์กับนรกไปเรื่องเดียวกันถ้าเราทุกขนะ์เมื่อไหร่นั่นแหละตกนรกแล้วทุกข์ทางใจนะแต่ทุกข์ทางกายนี่ท่านไม่ได้ถือว่าเป็นทุกข์เพราถือว่าอันนี้เป็นธรรมชาติของคนทุกคนที่รับวิบากกรรม แต่ทุกทางใจเนี่ยถือว่าเป็นนรกตั้งแต่เปลือกอสุรกายในส่างสารแล้วแต่ขุมไหนขุมเล็กขุมน้อยขุมใหญ่แล้วแต่นะถ้าหาว่ามันทุกมากก็หมายความขุมใหญ่ถ้ามันทุกน้อยเดขุมเล็กอาจจะขุมเปลืขุมอสุรกายขุมมาศูนยแต่พอมันทุกต่อหนึ่งกับหลายวันจุโอ้คิดกันเถอะทั้งว่าอะไรอะเซ้นกลือดหแต่ความดันสูงเส้นกลือดหแต่เป็นอัมรุษเงาพัดนั่นขุมลึกแล้วก็เห็นกันอยู่นะแต่เราก็ไม่เข้าใจนะนั่นแบบเขาเริ่มนรกลึกแล้ว ก็นอนแช่อยู่ในรกนั่นนะเดี๋ยวร้อนใครเดือร้อนพ่อแม่พี่น้องต้องหามขี้หามเยียวอยู่ตลอดคนเป็นน้ำพุกอมพะพาดใช่มั่งตกนรกแล้วดังนั้นถ้าเข้าใจอย่างนี้เราจะกลัวนรกเป็นๆไม่ใช่ควรรกตรงหลังตายนะฉะนั้นเองก็ในวันพระแต่หลวงพ่อจะมีลักษณะนี้ถ้าหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อจะสรุปให้พระที่ท่านเทศแต่หลวงพ่อไม่อยู่ก็พระที่ท่านอธิบายท่านก็จะ ท, ทําความเข้าใจนะ แต่นั้นวันนี้หลวงพ่อคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีนะที่เราจะได้ศึกษาธรรมะของจริงกันนี่วันที่55ค่ำคราวที่แล้วนี่เรามีการตักบาตรรึเปล่าพนะี่นันมีไห ม, มได้มาเหรอครัเออมาแ่บบันพายังเมื่อกี่คนก็นตามภาษา ป, ปี น, นี้สามคนหน้าคนเจ๊คนก็คือมานะแล้วก็ในชมนี้หลวงพ่อก็มาทํา ธุระส่นตัวมาบุนผูกเรื่องเดิมบนลูกไปหล่อขอไปพักผ่อนสักเจดวันนี้นะดีให้สวดเนี่ยแล้วหพอที่ชวงที่พักผ่อนนี่ก็เอาท่านอูท่านตั้งไปตัวเพราะว่าคนทำธุระแทนตอนนี้ผมพอไปทำงานอยู่คลุสธิแล้วกันท่านเอฟกับท่านนิ้วไปจุ่ยตอนนี้ท่านนิ้วกับท่านเอฟปฏิบัตท่านอู๋ท่านตั้งไปกับหลวงพ่อก็เลยเปลี่ยนหลวงพ่อรับกับท่านสองม้าเป็นเพื่อนท่านเอฟกับท่านนิ้วสลู ไปปุ่นสามลูกจะเป็นีอี้ทุกระยะเรียกเวียนเขนในภาษานี่นะทั้งนั้นเพื่อให้เป็นประโยชน์กนะบอยัดโยมที่อยู่ดังหลังแล้วอันนึงงานในข้างอยู่นี่ก็คือว่าหวงพ่อมหันตะนี่นะสาระข้างสามันหกเนาะก็ไม่ขึ้นดาวยิงข้าขึ้นมนมุมมีดไปมันเข้ามาในศาระถึงหมดแดงตึงหนูตึงในตึง ไ, ห, งไหุ้มหลังคาน้ากัเพื่อนลพ่อก็เลยยาหนังลาดตัวนี้ขึ้นมาเพื่อหยตัดมนนี้ออกแล้วขึ้นไปปุ้น มันก็จะเป็นตีคุ้งมุนตามมันก็ได้ตีคู้งตีบังเพราะนั้นวันนี้หลังจากกินข้าวแล้วไว่างเขาไม่ช่วยผู้ยี่นี่แนี่ยมันแล้ว่เนาะถ้าวันแล้วไปแง่กับต่อตไปเรื่อยๆแรกก็มันพาดต่อไปถือว่าเป็นวันพัฒนาหมู่บ้านนะพี่สิบห้าคำห้าคำเทียวนี้ผู้ยแก้วกับผู้ยสันมีธุระสาคัญเลยมาวัดว่าได้บนอุตวะนะเอาเอาวันพระสิบาหน้าบนพนักใหญเจอนึงเอาเจ้าบ้านเนี่ยมานั่งกิข้ากับนี่ห้าค นคนที่ทํางานด้วยกันเนีเอาไปช่วยกันแก้ไขหมู่บ้านของเราหมู่บ้านเร า, ม, า, า, ามันแตกสานอาโมกันมาหลายรอบแล้วถ้าห ม, ามายยู่เราบุแก้ไขวันที่วิพุธคอแก้ไขเอาเป็นปอบ้านสะาพานเมืองเป็นคนเก่าคนแกน่ต้องช่วยช่วยแก้ไขเไยว่าไปไห ไ, ไ, ไปมันหนีไปนี่มันว่าไรต้องมาช่วยกันนะจวขออนุธนาสาธุในความตั้งใจที่โมเบกโนมาตัก บ, บัตในวันนี้นเป็นพราะเราปัจจัยผู้ใดผู้ของจริงผู้ได้เข้าใจะวิปัสนาไปสร้าง ระบบลบบาบออกจากใจสร้างแต่บุญต่อไปคือไปถึงมรรคผิพานหรือทุกคนทุกท่านเทียมอาบาบมาตันแล้วแต่คําถวายก็เหมือนกันพอรับบาเสียแล้วก็ยกไปที่ตัวอย่างที่เราทำวันนั้นเดี๋ยวก็ไปฉันที่ครัวไปถวายที่ครัวอ๋อก่อนเยอก่อนเยอถวายบาทเที่ยวปุญญะนั้นถวายของของสักฆทน